มันเราก็ไม่ต้องการให้ใครทำบาปอีกแล้วอะไรที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลละได้ละเถอเลิกได้เลิก เ, ลกเถออะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขตรงนั้น่ะควรทำให้มากควรเจริญให้มากนั้นทบทวนว่าพยายามกำหนดทิศ ท, ทางของการศึกษาของพวกเราให้ดีแล้วก็อกุศลธรรมที่ที่หลายท่านที่เขามาเจริญในทีน่นี้ก็ตั้งไว้เพราะปรารบเจตนารม์ที่ดีเนี่ยนะ ปราลบทุกคนก็ทําเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะทุกคนก็ทําเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเราอย่าไปเอาเรื่องอื่นเข้ามาปนซะวุ่นวายทั้งหมดพันการมาศึกษาก็คือมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเพื่อพระัตนตรัยเขามาก็เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็มากล่าวให้ฟังในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้แหละบุคคลที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเกื้อกูลให้เราเทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย เพิ่มไหมเนี่ย น, นะเ อ, เอาตรงนี้เข้าว่าอย่างเดียวเพราะเป็นลักษณะเป้าหมายของพระสูตรสูตรนี้จริงๆว่าพระองค์ต้องการบอกเราอย่างนั้นว่าเราเองเนี่ยมีเป้าหมายและทิศทางอย่างไรในการศึกษาและการปฏิบัติมัสติตั้งมั่นขึ้นไหมใจตั้งมั่นขึ้นไหมกุศลเจริญขึ้นไหมอาสวะละได้บ้างไหมทำอะไรให้แจ้งบ้าง นะหรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าหนึ่งศรัทธาเราเพิ่มขึ้นไหมเมื่อศึกษาอย่างนี้แล้วศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมศีลเพิ่มขึ้นไหมฮิริโอต ป, ปะเพิ่มขึ้นไหมสุตะเพิ่มขึ้นไหมจาคะเจริญไหมแล้วก็ปัญญาเจริญไหมโสตาปฏิยังฆาธรรมเราบริบูรณ์ไหมคบสัตบุรุษเป็นอย่างไรรู้จักพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมฟังธรรมของสัตบุรุษฟังคําสอนไปถึงไหนแล้วแต่ละปีเราฟังคําสอนอะไรบ้างเป็นต้นเราก็ต้องพยายามที่จะรับอริยทรัพย์ของ พระพุทธเจ้าให้ได้ถ้าเราได้อริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าการที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่ก็สําเร็จประโยชน์แต่ทําไม่เจริญด้วยอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็น่าเห็นใจว่าเอ๊ะทำไมเราเราทําผิดประเด็นหรือเปล่าเนี่ยนะวันถ้าหากว่าเห็นคนเขาไม่สบายใจเห็นคนกุศลเขาไม่เจริญเนี่ยเราเองจริงๆเขาไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรามาร่วมกันเจริญกุศลไม่ใช่หรือแล้วทาไมมันกลายเป็นอะไรไปได้หรือมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นขอให้พยายาม กำหนดแล้วก็ทบทวนตัวเองว่าศึกษาทําไมศึกษาเพื่ออะไรจุดมุ่งหมายอยู่ที่ที่ไหนมันมาศึกษาธรรมะนั้นไม่ใช่ว่าต้องการแค่มาสร้างสมาคมเรียกว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่มาพักผ่อนหย่อนใจเขามาบอกง่ายๆตรงๆบอกของมาไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกเขามาสงสารตัวเองไม่ใช่อะไร น, นะถามว่าทำไมจึงสงสารตัวเองบอกเวลาชีวิตตอนนี้มันนับเป็นนาทีแล้วลองมาคํานวณดูสิมันเหลือกี่นาทีเอา มา น, นก็อันนี้แหละพยายามจะให้ให้ทบทวนให้ดีว่าอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรจะเป็นไปเพื่อความสุขเนี่ยนะมันเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับตำบลเกี่ยวข้องกับอำเภอเกี่ยวข้องกับจังหวัดโดยที่สุดแม้กระทั่งที่ไหนก็ช่างอยู่ป่าอยู่เขาก็ช่างพยายามกําหนดทบทวนตรงนี้ให้ดีังสูตรนี้ก็นัว่าเป็นสูตรที่สําคัญมากว่าประโยชน์ของการเข้าไปทําใน แต่ละสิ่งนั้นได้รับประโยชน์อะไรอย่างไรเสียพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนประโยชน์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าคือผู้แนะนําประโยชน์นะผู้สั่งสอนประโยชโน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่ง <cre> การทํามาหาเลี้ยงชีพของเราก็เพื่อประโยชน์โลกนี้การเจริญกุศลธรรมทั้งหลายของเราก็เพื่อประโยชน์โลกหน้าแล้วก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งมันก็กระจายออกมาแล้วก็คือมงคล38แล้วมันเป็นไปตาม มงคล38มสิบแถ้าเป็นไปตามนั้นก็แปลว่าถูกต้องพันเราในฐานะผู้มีพระธรรมเป็นสาระมีพระธรรมเป็นที่พึ่งเนี่ยนะมีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแต่คําว่าธรรมะในที่นี้หมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าเอามาประกาศมาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายทําให้ตื้น น, นะบุพระธรรมเหล่านี้แหละที่เราถือเอาเป็น สารณะเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่ประพฤติและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเคารพธรรมคือเคารพกุศลกรรมรบกติพระพุทธเจ้าเคารพโพธิปักขียธรรมเคารพโลกุตรธรรมพระพุทธเจ้าเคารพโลกุตรธรรมทั้นถ้าหากว่าเราศึกษาและเพื่อที่จะปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เราก็จะเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ใฝ่ในธรรมผู้ที่รักธรรมเป็นผู้เจริญธรรมกาโมประวังโหติผู้ที่รักในธรรมะคาว่ารักในธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่ารัก อ, อันอื่นรักกุศลธรรม รักสติปัฏฐานรักสัมมาปัฏฐานรักอิทิบาตอินทรีย์พละโพชงและรักอริยมรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างที่พระองค์บอกว่าผู้ใดชื่นชมอริยมรตมีองค์8ดผู้ใดปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์8ดผู้นั้นก็ทําที่สุดแห่งทุกได้ผู้ใดรักมรต ม, มีองค์8ผู้นั้นก็เท่ากับรักรพระนิพพานเพราะอริยมรคมีความหมายว่าแสวงหาพระนิพพานมันเราก็ต้องแสวงหาว่าเราจะเจริญอริยมรตที่ยังไม่เกิดให้เกิดได้อย่างไรอริยมรคที่เกิดจะ ที่เกิดแล้วเนี่ยจะเติบโตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรอริมัติที่ยังไม่บริบูรณ์จะบริบูรณ์ได้อย่างไรก็ต้องพยายามหมั่นภาพเพียรอุตสาหะทำให้ยิ่งขึ้นไปอันบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็เหมือนกันบุคคลเหล่านั้นช่วยให้เราเจริญมัติที่ยังไม่เจริญไหม มักที่เราเจริญอยู่แล้วทําให้งอกเงยงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไหมจเจริญ ม, มักแล้วจะเป็นไปเพื่ออริยผลทําโสดาปฏิผลให้แจ้งทําสกท า, าคามีผลให้แจ้งทําอนาคามีผลให้แจ้งได้ไหมแล้วก็มาพยายามสํารวจตรวจสอบเช็คนะถ้าเราไม่มีโอกาสตรวจสอบเลยเนี่ยถ้าเราเดินทางผิดเท่าใดมันก็ไกลเข้าไปเท่านั้นถ้าเดินทางผิดเนี่ยสมมุติถ้าเดินทางผิดเนี่ยถ้าเดินทางโดยรถ เบอรถนะถ้าผิดไป10กิโลเนี่ยมันก็มันก็ไ ก, กลไปสิบกิโลใช่ไหมถ้าบวกกับถอยหลังอีกสิกิโลมันเท่ากับ20สิบสมมติถ้าเราเดินทางผิดเนี่ยนะผิดแบบตรงกันข้ามนะถ้าผิด10กิโลจริงๆแล้วมันต้องคูณ2เท่ากับผิด20กิโลถ้าผิดร้อยกิโลก็คูณ2เท่ากับ200อกิโลหรือบางทีก็บวกตะเวบบวกโน่นบวกนี่บวกบวกบวกเข้าไปอีกก็เลยได้25้ากิโลหรือ30กิโลด้วยซ้าไปถ้ามันผิดเป็นหมื่นหมื่นไมล์ล่ะ อันนั้นนั่นคือ ร, รูปธรรมถ้าส่วนของนามธรรมถ้าเราผิดปีหนึ่งอ่ะไอ้ผิดปีหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าลบล้างปีหนึ่งแล้วมันแก้ได้เพราะมันติดเชื้อติดอุปนิสัยติดอัตยาใั่ติดอะไรมาอีกมากมาเยอะแยะไปหมดเลยถ้าผิดยี่สิบสามสิบปีก็ในที่สุดกลายเป็นอัตยาใัยของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรามีอัตยาใัยอะไรต้องมาเช็คตัวเองเหมือนกันนะเช็คหนึ่งว่าพื้นเพของเราตอนนี้ขณะนี้ ในฐานะที่ศึกษาคำสอนมาระดับนี้อะโลพัทยาสายเราเป็นอย่างไรอะโทสัย ท, ทยาสายเราเป็นอย่างไรอะโมหัต ท, ทยาสายเราเป็นอย่างไรอัทยาศัยเพื่อกาจัดโลภเราเป็นยังไงอัทยาศัยเพื่อกาจัด โศสะของเราเป็นอย่างไรอัธยาศัยเพื่อกําจัดโมหะของเราเป็นอย่างไรเนคขมัธยาศัยเราดีขึ้นไหมวิเวกัธยาศัยเราดีขึ้นไหมนิสรณัธยาศัยดีไหมอัธยาศัยที่จะกําหนดรู้ทุก อัธยาศัยที่จะลักสมุทัยอัธยาศัยที่จะทํานิโรธให้แจ้งอัธยาศัยที่จะเจริญโพธิปัจจัยธรรม37ประการให้บริบูรณ์อัธยาศัยในการศึกษาปฏิบัติและคําสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นไหมอัธยาศัยในศีลของเราดีขึ้นไหมอัธยาศัยในสมาธิมากขึ้นไหมอัธยาศัยในปัญญาดีขึ้นไหมอัธยาศัยที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ มีมากไหมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นเอาอัธยาสายอันประกอบอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยเมื่อวานได้รับคําชมมาคำหนึ่งแต่จริงอ่ะคนที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดด้วยเจตนาดีแต่เขามาถือว่าเป็นคําชมเขาบอกว่าอ้าวท่านสมบัติเนี่ยสวดจริงๆเลยเขาว่างั้นบอกโอ้นี่เขาชมเรานะเนี่ยบอกโอ้เป็นนักสวดมนต์มากเขาบอกนี่เขาชมบอกว่าทาไมชมบอกแสดงว่าเราไม่ชวนเขาเพื่อเจริเลย นะเราไม่ได้ชวนเขาเจริญมิจฉาวาจาเลยอันนี้เขาก็ชมมาว่าเราเนี่ยชวนเขาสรรเสริญพระรัตนะตรเนี่ยนะแสดงว่าเราไม่ได้ให้ขยะเขาเลยเราให้แต่ทองคําเขาอันนั้นแสดงว่าถูกต้องแล้วแล้วก็แปลว่าเขาชมแต่ว่าเขาาจะบอกเออให้ทองคําเขามากเกินไปงเ้ย น, นะเขาหนักเขารับไม่ได้เขาจะเอาแต่กแกลบไปมันเบาดีอันนั้นก็มันไม่ใช่เราให้นะถ้าคุณจะเอากแกลบคุณต้องไปเอาจากที่อื่นแต่ถ้าเราเราจะให้แต่รัตนะให้พุทธรัตนะให้ธรรมรั ต, ตนะให้ พระสังขรรตะนะเป็นต้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อยากจะให้ น, นะแต่ถ้าเมื่อใดแม้ท่านชวนคุยอะไรก่อใหม่รู้ไม่ชวนเนี่ยโอ้โหวันนี้ด่าเราทั้งสุดแลนนยนะไม่รู้จะเอาปี๊บมาคลุมหัวหรือเปล่าไม่ทราบเนี่ยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องชวนเขาเจริญกุศลไม่ใช่ชวนเจริญอกุศลปกติเขาก็ไม่ได้เป็นกุศลมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วมันต้องชวนให้เป็นกุศลแต่เขาบอกว่าท่านชวนเขาเจริญกุศลเกินไปเนี่ยนะบางเราก็ถือเอาคนที่เจริญได้เป็นประมาณเขามาเกรงใจเฉพาะบัณฑิตเท่านั้น เกรงใจเฉพาะคําที่เป็นสัมมาวาจามิจชาวาจาไม่เกรงใจะเกรงใจคนที่จิตทําด้วยจิตที่เป็นกุศลคนที่มีอากุศลเป็นสมุ ธ, ธานไม่เกรงใจเอา้าใจที่จะไปส่วอบายทุกขติวิณิบาศนรกนี่น่าเกรงไหมล่ะ ờ, เออเห็นน่าเกรงอะไรแต่ใจที่ประกอบด้วยศรัทธานี่ ส, น ส, นสิน่าเกรงคําว่าเกรงแปลว่าเคารพใจที่มีศรัทธ า, นาในพระัตนะตรัยน่าเคารพใจที่ประกอบด้วยศีลเนี่ยเคารพน่าเคารพคําว่าเกรงก็คือเคารพนั่นเอง ใจที่ประกอบไปด้วยสมถาวิปัสนาใจที่ประกอบไปด้วยคําสอนเออนี่ยน่าเคารพเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเอาใจเหล่านั้นเข้าเป็นประมาณในโลกนี้คนมันไม่มีใครชอบหรือชังโดยส่วนเดียวมยี่ครั้งหนึ่งอัตุละโอบาศกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือเข้าไปหาพระรูปหนึ่งก่อนไปหาพระเรวตัตท่านนิ่งเลยอ่ะนะท่านก็ไม่ค่อยพูดอะ่ะคือคือเป็นพระที่ไม่ค่อยพูด แต่ไม่ใช่ว่าไม่พูดพูดแต่พูดน้อยไปเจอภาษาริบดุ้ยแล้วก็ไปเล่าให้ภาษาริบุตรฟังไปเจอองค์นั้นนะแม่ท่านเงียบเหลือเกินแม้ต้องการคําอธิบายให้มันพิานพสารภาษาดิบุตรแสดงใหญ่เลยกันนี่โอ้ยองนี้ก็พูดมากเกินไปเหงือนกันก็ไปหาพระรูปหนึ่งเพืที่พูดพอดีพอดีองค์นี้ก็ไม่ดีอีกนั่นแหละไม่ถูกใจก็เลยเฝ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าเออองนี้ยติคนที่คือเขาเนี่ยตำหนิคนพูดน้อยก็ติ คนพูดมากก็ติทั้งพูดธรรมะนะพูดถูกนะพูดพอประมาณก็ตำหนิพันพ อ, องค์ก็เลยบอกอัตุรัไอาการติหรือการสรรเสริญเนี่ยนะมันเป็นของเกา่ากระวมเป็นของโบราณเหมือนันมีมานานแลว้วเพราะคนเนี่ยนะติคนที่พูดน้อยก็ติคนพูดมากก็ติพูดพอประมาณก็ตำหนิคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าได้รับคาสรรเสริญโดยส่วนเดียวไหม บอกไม่อย่าว่าสรรเสริญอย่างเดียวเลยคนที่จองผลาญพระพุทธเจ้าก็มีเอาคนในที่สุดจองผลาญพระพุทธเจ้าคือใครพระเทวทัตเดี๋ยวสูตรข้างหน้าจะมีพระเทวทัตไปเที่ยวยุยงส่อเสียดแม้กระทั่งกับพวกญาติส่อเสียดไว้กับกลุ่มพระเจ้าอาชาติศัตรูส่อเสียดไว้กับพระภิกษุพระองค์พระเทวทัตก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วอีกหลายรูปพระภิกษุปันฉับ พ, พักคีเนี่ยนะภิกษุฉับพคีพวกพักหกเนี่ยพวกนี้ก็อู้สางเรื่องเราปันปูนไปหมดเนี่ยนะแล้วก็พระนางมาคันธียาจ้างคนมาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะจ้างคนด่าเลยนะเดรธีเนี่ยจ้างคนที่เรียกว่าวางแผนทําลายโดยประการทั้งปวกพระองค์เองก็ไม่ใช่ว่าจะมีคนชอบหมดเลยนะไม่ใช่พระว่าคนจะเลื่อมใสไปหมด เพราะคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายหรือเป็นต้นไม่มีในโลกเพราะโล ก, กธรรมมันก็มีอย่างนี้แหละนะนะนินทาบ้างสันเซิญบ้างติบ้างชมบ้างอันนี้ก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมสุขบ้างทุกบ้างก็เหมือนกับกลางวันกลางคืนเน่ยเป็นของคู่กันเหมือนกันนะสว่างกับมืดก็ของคู่กันดํากับขาวก็เป็นของคู่กันแต่ทีนี้ในขณะที่พวกเราทั้งหลายศึกษาคําสอนแล้วก็มากําหนดดูว่าคําสอนนั้ต้องการอะไร ในฐานะที่เราเนี่ยพูดทางสารนังคัตฉามีมันก็มันก่อนยอมคารังนโยบายของมูลนิธิมาก็เออเห็นด้วยเนี่ยนะเห็นด้วยก็คือเอาตามเนี่ยพระสูตรในในอะไรนะสุขตะสูตรนะว่าถือว่าเป็นนโยบายของมูลนิธิเนี่ยนะที่มีความปรารถนานะความปรารถนาในหน้า99เนี่ยนะในหน้า9ก นาาเ้านี่ยนะมีธรรมะหลักๆอยู่ประมาณกี่ข้อ4ข้อเนี่ยนะธรรมะหลักๆสี่ข้อสี่ข้อคืออะไรบ้างหนึ่งข้อแรกเลยเนี่ยนะในหน้าเออขอไในหน้าหนึ่งนะต้องการให้ศึกษาพระธรรมกันที่เล่าเรียนกันอย่างถูกต้องตอนนี้ก็คือพระไตรปิฎกนี้มาตรฐานที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นนโนยบายหลักอันหนึ่งก็คือต้องการให้ศึกษาเรียนพระธรรมตามพระไตรปิฎก อย่างที่สองเมื่อเรียนพระตามพระไตรปิฎกเรียนเพื่อจะปฏิบัติตามพระไตรปิฎกหรือว่าเรียนเพื่อที่จะออกมาค้านพระไตรปิฎกอย่างที่สองก็เรียนเพื่อที่จะว่าง่ายและปฏิบัติตามพระไตรปิฎกข้อที่สถ้าเรียนเข้าใจแล้วก็บอกให้คนอื่นเขาศึกษาและปฏิบัติตามตามพระธรรมเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่สี่ก็ปฏิบัติไม่ย่อหย่อนก็คือปฏิบัติเพื่อให้เพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เพิ่มพูน คุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในี้ออ่านสูตรนี้แล้วโยมก็อ่านแล้วก็บอกว่าเอามาเป็นนโยบายของโมรลนิธิและที่สำคัญอีกข้อหนึ่งอันหนึ่งก็คือว่า ต้องการให้คนมีศรัทธานในพระธ ต, ตรไตรฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างให้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประมาณทันเวลาใครจะกล่าวอะไรก็ควรมีที่มาที่ไปเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะแสดงอะไรก็แสดงอยากจะกล่าวอะไรก็กล่าวไปเรื่อยเปื่อยไม่ใช่จะต้องมีที่มาที่ไปทัน เ, เราเนี่ยก็ต้องให้พยายามแ่งครัดในพุทธทางสารนังขฉามีอวะให้มากคร่งครัดในธรรมังสรารนังขฉ า, ามีอวะให้มาก เคร่งครัดในสังขางสรารนังค้าฉามีเอาว้ให้มากเพราะถ้าจารณะตรงนี้ไม่ดีโสตาปฏิยังฆาธรรมเบื้องต้นก็ถูกทําลายแล้วถ้าถูกทําลายแล้วจะเจริญงอกงามในพระาศาสนาได้อย่างไรเันนี้พันธุ์เราเข้ามาเนี่ยนะเข้ามาที่นี่จะจะกล่าวว่าเข้ามาอาศัยธรรมก็ถูกเข้ามาอาศัยบุคคลก็ถูกแต่ว่าในฐานะที่เข้ามาแล้วก็อยากจ ะ, ะชี้แนะหรือว่าแนะนําว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับนั้นคืออะไร เพราะจริงๆแล้วพวกเราทั้งหลายจะกล่าวว่าไม่ส Mete ne Na Hay Hir. แสวงหาประโยชน์ก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ประโยชน์โลกนี้แล้วเนี่ยนะบัดนี้หลายท่านก็ไม่ได้ว่าต้องการแสวงหาประโยชน์โลกนี้แล้วแต่ต้องการแสวงหาประโยชน์โลกหน้าและที่สําคัญจริงๆประโยชน์โลกหน้าคือที่พักระหว่างทางเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายแต่เป้าหมายจริงๆก็คือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการตรัสรู้หรือการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะการทําที่สุดแห่งทุก เรีว่าปรารถนาที่จะทําที่สุดแห่งทุกตามพระพุทธเจ้าทีนี้มาทบทวนอีกครั้งว่าสถานที่หรือบุคคลเป็นต้นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะกุศลเจริญไหมไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ใช่ไหมอันนี้คือหลักการของทั้งหมดในว น, นปัตตะปริยายสูตรเนี่ยนะว น, นะปัตตะสูตรสูตรที่กล่าวถึงประโยชน์แห่งการอยู่ป่าหรือเหตุที่เข้าเข้าไปอยู่ป่าแล้วเพื่อประโยชน์อันใด ประโยชน์อันนั้นเนี่ยนะเพราะพวกเราเข้ามาก็คิดว่าคงไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคงได้ฟังพระธรรมคำสอนอย่างเต็มที่พันจุดมุ่งหมายเป้าหมายจริงๆก็เพื่อให้เราทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นนั้นที่สำคัญก็จับสาระเป็นต้นตรงนี้เอาไว้ให้ดีหลังจากข้อความในสูตรนี้เนี่ยนะแต่โดยเฉพาะส่วนตัวของมาเองเนี่ยจากการกล่าวสูตรนี้ท่า เท่ากับทบทวนเราเองเหมือนกันว่าเข้ามานะที่นี้และได้อะไรบ้างถ้าตั้งคําถามว่าเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างก็บอกประโยชน์อั น, น, นหนึ่งเลยได้กล่าวธรรมะที่ยังไม่ได้กล่าวอีกหลายร้อยสูตรเนี่ยนะหลายร้อยสูตรนะได้ฟังธรรมที่หมายว่าได้อ่านพระสูตรเนี่ยนะได้อะไรอีกหลายอย่างด้วยกันสรุปว่าได้ประโยชน์นะหลายท่านก็เชื่อว่าคงได้ประโยชน์เพียงแต่ที่ที่สําคัญที่สุดก็คือประโยชน์ที่วางเอาไว้ก็คือประโยชน์ อย่างยิ่งประโยชน์อันสูงสุดเนี่ยนะอันประโยชน์อย่างยิ่งและประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาตั้งความปรารถนาแม้กระทั่งผู้ผู้บริหารมูลนิธิก็ตามหรือเขามาก็ตามก็มีความปรารถนาอยากจะให้เราทั้งหลายทุกคนทุกท่านนั้นเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาเจริญด้วยอริยคุณทั้งหลาย เจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลเจริญด้วยสุตะเจริญด้วยจากคะเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยโพธิปักขยธรรมปรารถนาให้ได้รับประโยชน์นะนะโดยเฉพาะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งปรารถนาจะให้ทุกท่านนั้นเจริญด้วยมงคลนั้นก็ตอนท้ายสําหรับตอนเช้านี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอให้ประสบความสําเร็จสมความปรารถนาตลอดไป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 สนใจซีดีหรือ MP3 ติดต่อดิที่โรงพยาบาลนวนครถนนพุหนโยธินโทรศัพท์02 5294533 41โรงพยาบาลนวนครอยุธยาถนนเอเชียโทร035 315100 30และมูลนิธิรักธรรมโทรศัพท์02 7จ็ดหนึ่งหนึ่งห้าเกาเก้าเจ็ดถึงแปดขออนุโมทนาค่ะ